กลัวว่าเราจะได้เกิดมาแต่ละชาติได้มาพบพระพุทธศาสนานี่แสนยากใน่าการทำความดีไว้ในปางก่อนอันนี้ก็ยากบุคคลผู้ไม่ได้ทำบุญผู้ชนไม่ได้ทำความเลื่อมใส ในกระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์มาแต่ชาติก่อนเกิดมาชาตินี้มันก็ไม่เลื่อมใสไม่นับถือแล้วก็ไม่คิดที่จะสร้างบุญกุศลเพื่อส่งเสริมชีวิตของตนให้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนได้อาศัยบุญเก่ามาอย่างไร ก็พอใจอยู่ในขนบุญของเก่าเท่านั้นไม่คิดอยากจะสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันนี้เป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาบรรดาชาวพุทธทั้งหลายนะก็ตนได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาก็พ่อบุญกุศลตกแต่ง เพราะอานิสงส์ที่ได้ให้เข้าน้ำเป็นทานมาก็จึงได้มีกำลังร่างกายแข็งแรงอย่างนี้แล้วที่ตนมีโรคไัยไข้เจ็บน้อยมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนานทาอายุไขในชาติที่เกิดนั้ น, น, น อันนี้ก็เขาอานิสงของการรักษาสินการสำรวมกายวาจาให้ดีไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนการที่บุคคลมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นของของตอนนี่มันก็มีอานิสงเกิดมาจากการที่ ได้สระที่ดินให้เป็นทานสร้างวัดปราอารามบ้างหรือว่าสร้างสถานที่สาธารณะต่างๆหมู่นี้นะอา น, นิสงเหล่านี้แหละทำให้เรามีที่ดินเป็นของส่วนตัวมีบ้านมีช่องอยู่อาศัยไม่ต้องไปพึ่งพิงคนอื่นเป็นโย ถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำคุณความดีอย่างว่านี่มาคนผู้นั้นหรือคนหมู่นั้นก็เป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้เราก็เห็นกันอยู่ดาาดินเกิดมาบางทีกบอา้าวไปเกิดกับหญิงโถเพนีเข้าไปเขาขี้เกียจเลี้ยงเขาก็ เกิดแล้วก็เอาไปปล่อยทิ้งไว้ตามขยะฟองขยะหมดนั้นะบุญมันยังมีอยู่บ้างคนไปเห็นเขา้าก็เอามาเลี้ยงไว้เอาเลี้ยงให้ใหญ่แล้วเขาก็ปล่อยไอ้คนเราไม่ไม่พิจารณาตัวเองไม่รู้เหตุปัใจจัยแห่งชีวิตของตนเป็นมาอย่างไร ถึงแม้ว่าตนจะไม่มีปัญญารู้แจ้งในอดีตอนาคตแห่งชีวิตได้เราก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นหลักเครื่องวินิจฉัยก็งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งในยามที่สอง น, นจะจุตูปปาตญาณทรงรู้แจ้งในความเกิดความเป็นมาเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลาย ว่าเป็นไปด้วยกรรมที่กัดทั้งหลายได้กระทาเอามาทำดีกรรมดีก็อำนวหนหนวยผลให้เป็นสุขมาทำชั่วกรมชั่วก็อำนวนวยผลให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาในโลกนี้ได้สวยสุขสวยทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งทรัพย์ทิตต่างๆในสากลโลกอันนี้มาโดนบันดาลให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ อย่างที่ลัทธิบางลัทธิที่เขาถือกันนะเขาโคษณนากันอยู่นั่นนะแล้วชาวพุทธส่วนหลายเนละีเท่าที่สังเกตดูนะก็ไปหลงเชื่อในคำโคษณนาอันนั้นไป เ, เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอำนวยความสุขความทุกข์ให้แก่คนทั้งหลายได้ ก็จึงไปเส้นไปบูชาบวงสวงกันไปกราบไปไหว้ไปขอพรจากเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี้อะไรต่ออะไรไปถนองนั้นนั่นและสะแสดงว่ามีความนิยมไปไม่มีจำกัดเลยบัดนี้คนเราไม่ทราบว่าใครเป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้จริงๆบัดนี้ว่าแต่ มีคนเขาโฆษณนาว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้มีฤทธิ์มีเดชสามารถดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็ไปเชื่อไปเลยอย่างนี้ก็หมุนไปตามมงคลตื่นข่าวเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างนั้นนั้นมันจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลย ไม่เห็นผลจากการนับถือพรัชาศาสนาอย่างจริงจังคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสิ่งประเสริฐสุดในโลกนี้ก็มองไม่เห็นถ้าใครมองเห็นก็คุณรงสามนี้สูงสุดกว่าสิ่งใดทั้งหมดแล้วจะไม่ยอมไปไหว้ไปกราบไปนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใใดในโลกที่เขาโคตรนากันอยู่นั่นนะก็จะไม่ หมุดตัวไปเลยอออมอบกายถวายชีวิตต่อคุณพระรตะนไการนี้แล้วก็มาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่อย่างเดียวถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ก็อย่าไปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองมันก็ไม่ได้ทุกต่อไปเบื้องหน้าถ้าตนต้องการความสุขอย่างนี้ตนก็พยายามทำคุณงามความดี ให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนเรื่อยๆไปอันใดที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีในพระพุทธศาสนาเราได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษามาแล้วอย่างนี้เราก็พยายามกระทําทิ่งนั้นไปให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าการกระทํานี่นะไม่ใช่ว่าเราทําความดีเพียงเท่านี้แล้วมันจะพอไปเลย มันจะดีไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันยังไม่ดีพ อ, อนนเหมือนอย่างคนถากไม้เอาไปถากตะเปลือกมันออกเสยๆอย่างนี้มันก็ยังกัะพี้ถ้าขืนเอาไปปลูกบ้านแตงเรือนก็กลับมอดกินเย่ยไม่เคลี้ยงเก่าเลยเป็นอย่างนั้นเลยเมื่อถากเปลือกออกแล้วมันก็ต้องถากกัะพี้ออกด้วย กระพี้ส่วนหยาบมันก็มีส่วนละเอียดก็มีกระพี้ติดแก่นของมันต้องพยายามถากออกจนหมดเลยถ้ายังเหลือแต่แก่นไม้ร่วนๆเช่นนั้นนะเอาไปปลูกบ้านแปลงเรือนเนะยมอดก็ถึงไม่กินนะก็จึงทนทานถาวรได้นี่การทําความดีในพระพุทธศาสนานี่มันก็เป็นเช่นนั้นนะให้พากันเข้าใจ การให้ทานอย่างนี้นะอา้าวมันก็เป็นขั้นเบนตอนไปให้ทานของเลวของไม่มีราคามากอย่างนี้มันก็ได้อยู่ได้บุญแต่ว่าได้ไปตามวัตถุทานป็นอย่างนั้นเมื่อผลมันอำนวยให้ได้ได้สิ่งของอะไรมาก็เป็นของอยู่ในทานเลว ไม่ใช่อยู่ในชั้นดีถ้าผู้ใดขอนไข ว, วัตถุสิ่งของไพยทานนั้นนะให้มันดีขึ้นกว่านั้นไปอีกเรียกว่าพอปานกลางอย่างนี้พ้นมันก็อำนวยให้มาได้อะไรมาก็ได้ของราคาพอปานกลางจะให้ปันนิดันจงแท้ก็ไม่ได้ถ้าผู้ใดขอนไย วัตถุทานนั้นเอาของประนิษ์บรรจงมาถวายทานอย่างนี้นผลที่มันอำนวยให้ได้อะไรมาก็ได้จะของประนบรรจงได้อาหารมาก็ามีอาหารอันประนิษ์บรรจงอย่างนี้แหละได้ผ้าล่งผ้าห่มมาก็เป็นผ้าเนื้อดีได้เครื่องประดับตกแต่งมาก็เป็นเจ้าของมีราคามากแต่อย่างนั้น ได้บ้านเรือนเคหยสถานเป็นที่อยู่อาศัยก็เป็นบ้านเป็นเรือนที่โอทงน่าอยู่หน่าอาศัยมั่นคงถาวรในการที่บุคคลทำบุญทำทานพยายามขวนขวายไปมันย่อมให้ผลเป็นขั้นตอนอย่างนี้ไปดังนั้นเราจะเห็นได้ในคนที่เกิดมาในโลกนี้นะ และมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปก็เกี่ยวกการกระทำนี้เองนะเรื่องของเรื่องเพลงการรักษาศีลก็เหมือนกันผู้รักษาศีลก็พยายามรักษาให้มันละเอียดปานนิดเข้าไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ารักษา กายรักษาวาจาไปตามประเพณีเท่านั้นแล้วก็ถือว่าตนมีศิลแล้วเช่นนี้มันก็มีอยู่หรอกแต่ว่าศิลมันเป็นศิลเบื้องต้นทีนี้ศิลที่ละเอียดไปนี้เข้าไปกว่านั้นมันยังมีเช่นที่ท่านเรียกว่าปรมาทาิติศิลศิลยิ่งศิลยิ่งนี่หมายความว่า เป็นผู้มีใจมั่นต่อศีลจริงๆไงเช่นยกตัวอย่างว่าเราเป็นผู้สมัครฐานมั่นในศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตอย่างนี้นะเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วเว้นได้จริงๆในใจคุณก็เว้นได้จริงๆไม่คิดเบียดเบียนใครแม้แต่น้อยเดียวนี่นแม้ว่าใคร จะมาเบียดเบียนตนนี่ตนก็จะไม่เบียดเบียนตอบนี่ใจปรมาทศินนะสินยิ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสินไม่ยิ่งแล้วถ้าใครเข้ามาเบียดเบียนตนนี่ตนก็ป้องกันตัวเนียมันก็ไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่แกล้งฆ่าเขาหรอกแต่ว่าป้องกันตัวเฉยๆแต่ถ้าเป็นปรมาทศินแล้วสละหมดเลย นึกถึงกรรมถึงเวรแล้วก็คงจะเป็นกรรมเป็นเวรแต่หอนหลังนี่ยมันตามมาสนองเอาเ อ, าเอาเ้าก็แล้วไปไม่ต้องห่วงใยในชีวิตอันนี้ละลงไปให้เขาทําฝ่ายเดียวเขาจะทําไงก็แล้วแต่นี่นะยกตัวอย่างให้ฟังคําว่าปรมัาทินสินยิ่งเราต้องพยายามรักษาไปให้มันได้อย่างนี้ แม้สินข้ออื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยมันมันไม่ยอมไงไม่ยอมละสินอันนั้นเลยแม้ใครจะทำลายชีวิตก็ก็ไม่ยอมไม่ยอมทิ้งสินการที่บุคคลจะมีมีสินเป็นประมตัสสินอย่างนั้นได้นะมันก็ต้องอาศัยการภาวนาการพิจารณาเห็นร่างกายสังขารอันนี้ เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนเป็นทุกข์เป็นอน า, าไม่ใช่ตัวตนของเราจริงจังบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมารู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงสมัยคำว่ากรรมมัชรูปรูปกายอันนี้กรรมมันตกแต่ง <S <S <ม>บางทีบางคนอาจจะได้ ทำกรรมชั่วเช่นอย่างว่าได้ฆ่าเขามาเสชากอ น, นู่นอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็มีบุญกุศลอย่างหนึ่งนำมาให้เกิดเป็นคนขึ้นมาอีกแลก้วกรรมที่ไปฆ่าเขาเนี่มันติดสายห้อยตามมาเมื่อมันทันเวลาใดอย่างนี้มันก็ให้ผลเวลานั้นเลยกระโดนบันดาลให้คนอื่นมาฆ่าตัวเองลงไปนี่ถ้าหากว่ากรรมเวรไม่มีอย่างนั้นนะ จับไม่มีใครคิดฆ่าเลยแลวตนเองก็ในชาตินี้เขาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทำใครให้ชอกช้ำใจอย่างรุนแรงอะไรเลยอย่างนี้แต่เพียงว่าไปทำอะไรเขาผิดใจนิดนหน่อยๆท่านมันก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเพราะกรมเวรหนหลังเนี่ยมันกระดับสนุนทำให้ความอาฆาตจองเวรอนั้นมันมีกำลังกล้าขึ้น จนถึงกับว่ากล้ามาล้างฐานชีวิตของคู้นั้นได้เลยนั่นกรรมเก่าอ่ะที่ผู้นั้นทําไว้แต่ก่อนนั้นมันหนูโนเออ ม, มันเป็นอย่างนั้นผู้ที่มารู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างว่านี่นะมันก็โปรงลงได้อโปร่งลงได้ไม่หวาดกลัวต่อความตายแล้วก็ไม่อาฆาตตอบโต้เขาเออ อธิษฐานใจเนะี่ยเราอโหาสิกรรมให้ไปเลยขอให้กรรมเวรอันนี้จงเป็นอโหาสิกรรมไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แล้วก็เอาใครจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่มันมันจะอย่างนี้นะคำว่าปรมถทินนะ์นะมันต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจึงปล่อยจึงวางลงได้ ไม่ยอมสร้างกรรมสร้างเวรสืบต่อไปอีกถ้าใครไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วมันจะวางลงไม่ได้เลยถ้าว่าใครจะมาทําร้ายตนถ้าตนไม่มีโอกาสที่จะได้ตอบโต้เขาแต่แล้วมันก็มีความโกรธของมายบอดอยู่ในใจนู่นมันเป็นอย่างนั้น คิดแก้แค้นกันอยู่ในใจนู่นนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่ถูกสังหารน่นนะถูกใจเจ็บไว้อยู่นั้นกรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามจิตวิญญาณของผู้นั้นไปเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็ให้มาเกิดในโลกนี้มาอีกแล้วกรรมนั้นมันก็ติดตามมาให้ผลอทําให้เบียดเบียนกันฆ่ากัน อย่างนี้นะสัตว์โลกทั้งหลายนะอันที่เบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี้เขาต่างคนต่างก็ไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อใครด่ามาก็ด่าตอบใครตีมาก็ตีตอบอย่างนี้นะใครยิงมาก็ยิงตอบมันเป็นสัสราางงานของมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์มนุษย์ปุถุชนผู้นั้ไปด้วยกิเลสมันเป็นอย่างนั้น เลยสำหรับท่านผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไปนั่นดีแล้วอย่างนี้อย่างเช่นชาวศักการชในเมืองกบินลพัดซึ่งเป็นพญานของพระพุทธเจ้าแล้วแม้เป็นตำรวจเป็นทาหารก็มีเป็นพ่อข้าพาณิชเป็นชาวนาชาวสวนก็มีล้วนแต่เป็นผู้มีศีลห้า ที่นีพอทหารของวิทูลธะพะยกเข้าไปในเมืองกบินละพัอวิทูลธะพะผู้เป็นผู้กรบทั บ, บัญรรชาทหารทั้งหลายนั้นก็สั่งไว้เพราะว่าถ้าหาก็พวกท่านทั้งหลายยกขบวนเข้าไปเจอใครเข้าถามนะว่าเป็นชาวสกรยราชหรือหรือไม่ ถ้าถ้าเขาบอกว่าเป็นเป็นชาวศักรยราชก็ให้ฆ่าเลยถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นก็อย่าไปฆ่า อ, อย่างนี้เลยในวันนี้บรรดาทหารของชาวศักรยราชนั้นแม่ทัพก็เป็นผู้มีศิลบริสุทธิ์อยู่จึงได้สั่งให้ทหารที่อยู่ในบังคับบัญชาพวกเราอย่าไปตอบโต้เขาเมื่อเขายก ขบวนกันมาเราก็ยิงปะไปไปอย่างนั้นนะแต่ไปยิงให้ถูกเขาแล้วเราก็วางอาวุธแล้วแต่เขาจะทำยังไงเพราะว่าทหารเรานั่นก็เป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วเป็นปรมาธิสินได้จริงๆนันวันนี้เมื่อพวกทหารอิทุนรพะบุกเข้าไปถาม เป็นสกยาลาดหรือเออเป็นสกรยราชเขาก็ฆ่าเลยทหารตอนนั้นก็ไม่ตอบโต้ถ้าผู้ใดไม่มีกรรมไม่มีเวนอย่างนั้นมาก็ตอบเป็นไปอย่างอื่นตอบปฏิเสธว่าไม่ไม่ใช่ชาวสกยาลาชเขาก็ไม่ฆ่าถ้าใครมีกรรมมีเวนที่ได้ทําร่วมกันมาอย่างนั้นแต่ก่อนก็บอกเขาเลยกรรมนี่นมันบรรดาลให้บอกเขาว่าเป็นสกรยราชเขาก็ฆ่า อย่างนี้แหละที่ท่านเรียกว่าปรมาทิตินนะสินยิ่งยอมสละชีวิตเพื่อสินจริงๆเพราะไม่ต้องการกรรมเวนเพราะท่านรู้แจ้งในใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าการเบียดเบียนตอบกันอย่างนี้มันเป็นเวนผูกพันกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเพื่อไม่ให้มีกรรมเวณตามสนองไปอีกเอาเราเสียสละลงไปซะ แล้วต่อไปมันจะไม่ไปไม่ได้ไปเบียดเบียนกันอีกเพือ่อนคิดได้อย่างนี้จึงยอมให้ส ต, ตรูสังหารชีวิตเสียฝ่ายเดียวเลยแล้วก็ให้มันอาโหสิกรรมกันไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าได้ไปตามร่างสารกันเลยก็เป็นอนา«พ้นกรรมพ้นเวรกันไปนี่แหละคาว่าปรมาถิสินได้พาการเข้าใจให้มันชัด แล้วลองพิจารณาดูใจของเราว่าเราทําได้ไหมเรารักษาได้ไหมสินประเภทนี้อย่างนี้ถ้ายังรักษาไม่ได้ก็ต้องพยายามออ<ม>พยายามคิจารณาให้มันท่องแท้ในใจภาวนาไปคิดเจรณาร่างกายนี้เสมอเสมอกระจายร่างกายอันนี้ออกไปเป็นสัดเป็นส่วนออกไป ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกระจายออกเป็นกองๆไว้แล้วก็มาถามตัวเองว่าที่ไหนอันเป็นตัวตนของเราอ่ะไม่มีตัวตนไม่มีอันนั่นก็กองดินอันนี้ก็กองน้ำอันนั่นก็กองไฟอันนี้ก็กองลมอ่ะนี่แล้วมันจะมีตัวตนอยู่ที่ไหนคำว่าตัวตนนั้นไปสมมุติเอาธาตุสี่ดินน้ำไฟลม ที่มันรวมกันเข้าเป็นรูปเป็นร่างอันนี้ว่าตัวตนเฉยๆนี่นะที่มันรวมมันเข้าเป็นรูปเป็นร่างอันนี้เนี่ยเพราะกรรมตกแต่งเนี่พูดไปพูดมากวนไปเวียนมาก็ไม่พ้นจากกรรมนั้นแหละกรรมที่ผู้นั้นทําไว้ตแในชาติก่อนนั้มันตามมาตกแต่งรูปกายให้ดวงจิตได้อาศัยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ถ้าผูใ้ใด ทำกรรมชั่วอยู่อยู่ในระดับสัตว์ริษฐานนี่ว่าจิตใจมันตกต่ําลงไปเทียบกับใจของสัตว์ริษฐานอย่างนี้นะเอาตายลงไปแล้วกรรมมันก็นําไปเกิดเป็นสัตย์ริษฐานนั่นเองเพราะว่ากรรมชั่วผู้นั้นทำนะั้นมันอยู่ในระดับสัตว์ดริษฐานท่านผู้ใดทำกรรมชั่วมากกว่านั้น มันกรรมชั่วนะมันก็พาให้ไปเกิดเป็นอาตุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างอย่างนี้นะนเป็นเปรตเนี่ถ้าพูดโดยหลักความจริงแล้วก็หมายเอารวงขิดที่ไปผูกใจเจ็บกับใครต่อใครไว้แต่ไม่รุนแรงอย่างหนึ่งแล้วก็ ไปสาบบทสาบานกับใครไว้อบางคนนะถ้าเขายกโทษตนว่าตนไปเอาของเขามาอย่างนี้ไปสาบบทสาบานกับเขาอ่าฉันไม่ได้เอาของคุณถ้าฉันเอานั้นตายไปขอให้ฉันไปเกิดเป็นไส้อ ด, อดอยา ก, ยากให้ได้เสวยทุกขทรมานไปในสงสารนี้ อย่างนี้เนะี่ยแล้วไปโกหกเขาอย่างนั้นนะทั้งที่ตนเอาของเขาไปดัได้ตายไปกรรมนั้นมันก็นําให้ไปเกิดเป็นเปรตจริงๆริๆอเจ้าสมกับว่าผู้ใดทากรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าจิตใจของผู้ใด ไม่มีความละอายต่อบาปกรรมเลยอย่างนี้ทากรรมชั่วได้มากๆากทำกรรมชั่วไปเรื่อยๆแต่กรรมดีก็ทาไปอย่างนี้นะจนถึงวันตายหนยิไอ้นี้นี่กรรมอย่างนี้นี่มันนำไปสู่นรกแน่นอนเลยเป็นอย่างนั้นมันแล้วตั้งแต่กําลังของบาปกรรมที่แต่และบุคคลกระทำมา จะพึ่งอำนวยผลให้อย่างนี้นะดังนั้นนะเรามาเรียนรู้เรื่องกรรมชั่วนี่น่ะให้มากๆบรรดาชาวพุทธทั้งหลายนะอย่าไปละเลยถ้าบุคคลใดไม่คิดจะละครรมชั่วออกจากตัวแล้วนั้นการกระทำกรรมที่ดีก็คงไม่เจริญรุ่งเรืองได้เท่าไหร่นะ แม้ว่าทํากรรมดีไปมันก็ทําให้ถูงขึ้นไปไม่ได้เพราะกรรมชั่วมันสกัดกั้นไว้นี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นบางคนอไอ้กรรมชั่วส่วนละเอียดเข้าไปไม่สนใจเลยอไปสนใจแต่เรื่องกรรมชั่วอย่างหยาบๆนั่นอา้าวตนไม่ได้ไปฆ่าคนนี่ไม่ได้ไปฆ่าช้างขโมยควาย ฆ่าวัวฆ่าควายอะไรมาอย่างนี้น ะ, ะแล้วก็ชื่อว่าตนไม่ได้ทำบาป อ, อย่างไปฆ่าปูฆ่าปลาฆ่านกฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี่ไม่ถือว่าเป็นบาปอย่างนี้มีอยู่ท้องไปคนในโลกอันนี้นะอะไปถือเอามองเห็นจะว่าได้ไปฆ่าคนหรือฆ่าวัวควายช้างมา้าสัตว์ใหญ่ๆนั้นถือว่าเป็นบาป อ, อย่างนี้มีอยู่มากมายทีเดียว ความเห็นอย่างนี้นะนี่เพราะฉะนั้นนรกที่ท่านพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะันมันจะมีหลุหลหลมเล็กหลุมใหญ่หลุมปานกลางแล้วอายุของสัตว์นรกก็มียิ่งมีย่อนกวัวกันนะก็เพราะการทำบาปกรรมความชั่วนี่นะีมันยิ่งมันย่อนกวัวกันอย่างนี้กรรมมันถึงได้ตกแต่งให้เป็นขั้นเป็นจรไปอย่างนั้นนะ ไม่ใช่ว่าใครทำกรรมชั่วอย่างไรแล้วก็ไปตกนรกกลุมเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็เหมือนอย่างไอ้คนติดพุกติดตารางอยู่ในโลกอันนี้แหละไอ้พวกที่ทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงเช่นฆ่าคนอย่างนี้นะเขาก็เอาไปขังไว้ในอีกแดนหนึ่งแล้วไปขังไว้มีโซ่ตรวนใส่ไว้ซะด้วย ใครได้รับทุกทนทรมานเอาถ้าใครทำผิดกฎหมายเพียงแค่เบาบางเช่นว่าไปลักของเขาบ้างอะไรหมนี้นะไม่ถึงกับว่ายวไปฆ่าผู้ฆ่าคนเช่เ น, น, น, น, นนี้นี่ก็มีโทษเบาลงตัวนั้นไม่ได้ใส่โซ่ใส่ตรวนนะเอาถังไว้ตามอย่างธรรมดาแต่ให้อยู่ในห้องจำกัด แค่อยู่ในวงจำกัดจะไปไหนมาไหนต้องมีผู้ควบคุมผู้บังคับบัญชานั่นแหละดูแต่ลกโทษเขาไวนักโทษ ใ, ในเรือนจำมันยังมีความเป็นอยู่แตกต่างกันนะอันนี้ทั้นใดก็เหมือนกันแหละบุคคลทำกรรมชั่วในโลกนี้ยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันเมื่อลาโลกนี้ไปแล้วก็ไปเสวยทุกแตกต่างกันก็อย่างนั้นแหละ แม้พูดถึงฝ่ายความสุขก็เหมือนกันนะฝ่ายความสุขที่บุคคลได้รับในโลกนีนะ้เราก็เห็นกันอยู่ด่าดื่นนะลองสังเกตดูบางคน เ, เกิดมานยะมีร่างกายสมบูรณ์พูนสุขโรคภัยไม่เบียดเบียนแต่ว่ายากจนเงินทองเข้าของไม่มีสติปัญญาที่จะหาเงินหาทองได้ อ่าก็มีอย่างนี้นะอ่าบางคนมาเกิดมาในโลกนี้แต่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ทีนี้มักจะมีความวิบัติเป็นคั้งเป็นค่าวไปแต่ว่าไปเกิดในตระกูลสูงมีเงินมีทองอเข้าของมากมายมีบริษัทบริวารแต่ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์อย่างนี้ก็มีนี่แหละ แล้ววางคนเกิดมาแล้วอย่างนี้ก็มีอายุสั้นตายแต่ยังเล็กยังน้อยก็มีตายอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็มีไปตายระหว่างวัยกลางคนก็มีถึงวัยเท่าแก่ชรามาจึงตายก็มีคนเกิดมาในโลกนี้ น, ะนี่แต่คนนับถือยกย่อง เอ็นดูสงสารไปที่ได้ก็ไม่มีใครจงเกียดจงชังมีแต่มิตรมีแต่สาหายไม่มีคู่กมคู่เวนเลยเอา้าวแต่บางคนนี่เกิดมาในโลกนี้เต็มไปด้วยศัตรูทำอะไรไปที่ไหนก็ไปคอยแต่จะไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้ไหม่พออกพอใจ แล้วก็ทำให้ผู้อื่นคิดอาฆาตเบียดเบียนจนกอดสะดุ้งนอนไม่หลับอยู่อย่างนั้นบางรายก็เลยถูกเขาฆ่าตายซะเลยผู้ที่ไม่ถูกเขาฆ่าตายกอดสะดุ้งหวาดกลัวอยู่นั้นไปไหนมาไหนก็มีแต่ความสะดุ้งหาความสบายไม่ได้เลยอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายในโลกนี้นะลองสังเกตดูสิชีวิตของคนเรานะ แต่บางคนที่นี่เกิดมาในตระกูลสูงทั้งมีรูปร่างก็สวยงามมีอายุก็ยืนยาวนานแล้วก็ปราศจากโรคใครไข้เจ็บมีบริษัทปบริวารหอ้อมร้อมไม่มีศัตรูไปไหนก็ไม่มีศัตรูคอยเบียดเบียนอย่างนี้ก็มีในโลกนี้ อยู่ไปจนหมดอายุสังขารไปเลยแต่ว่าคนจำพวกอย่างว่านี่นะแล้มันจะมีน้อยอย่างคือว่านี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยใครมีทรัพสมบัติมากเท่าไรยิ่งมีศัตรูมากแล้วมันระวังอย่างไรก็ไม่ไหวเอาไปเอามาถูกเขาฆ่าตายทิ้งสมบัติก้อนโตๆโตโตไว้เบื้องหลังให้คนอื่นเขาไปครอบครอง มีอยู่ทมไปทุกวันเนี่ยนี่เราต้องพิจารณาดูชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้เมื่อมาพิจารณาเห็นเช่นว่ามานี่แล้วก็มาพิจารณาตัวเองดูวน้ี้ตัวเองเป็นยังไงอ่ะมีบุญมีกรรมอย่างไรบ้างมัาก็รู้เรื่องตัวเองได้ ออถ้าตนเองเกิดมามีสุขภาพอนามัยดีเรื่อยมาแต่ว่าไม่ได้ร่ารวยเงินทองเข้าของมากมายอย่างเนี้ยก็แสดงว่าแต่ก่อนนั้นตนไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเขาแล้วซัดอื่นมาแต่ไม่ได้ทําบุญทําทานมากอผลแห่งแห่งบุญกุศลที่ตนทํามานั้นเหมือนก็ให้ผลแต่น้อยพอได้เกิดมาเป็นคน แล้วก็มีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ไม่มากอย่างนี้ผู้ที่มีมากก็หมายความว่ามันได้ทำบุญให้ทานมากมาผู้มีสุขภาพอนามัยดีก็แสดงว่าไม่ได้เบียดเบียนบุคคลหรือได้ตัดอื่นมาแต่ก่อนหรือว่าได้เบียดเบียนบุคคลอรือได้ตัดอื่นมาแต่ก่อนกรรมนั้นมันตามสนองมา จนหมดแล้วจนหมดอายุแห่งกรรมแห่งเวนั้นแล้วบัดนี้บุญกุศลที่ตนทามาแต่ก่อนนั้นมันมาอำนวยผลให้บัดนี้ก็จึงได้มีสุขภาพอนามัยดีแต่ละคนเราลืลลมตัวบัดนี้นะเมื่อตอนมีสุขภาพอนามัยดีอย่างนี้แล้วนึกว่าตนไม่มีกรรมมีเวนอะไร แท้ที่จริงบางทีนะทนสเสวยทุกทนทรมานเพราะกรรมเวรที่ตนทํามาแล้วไม่รู้ว่าขี่ชาติกี่พบมามันทะลึกลึกไม่ได้ที่เฉยนะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นแล้วบุญที่ทํามานั้นมันจึงอํานวยผลให้มาเกิดเป็นคนมีรูปร่างอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ดีถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ประมาทวันนี้จะไม่ใช้กายวาจานี้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน เราว่าไม่สร้างกรรมชั่วเว้นชั่วใส่ชั่วอีกต่อไปผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนได้ในชาตินี้ตลอดชีวิตได้แล้วก็สบายใจได้เลยแบบนี้หากว่าต้องได้เกิดอีกในโลกหน้าต่อไปทนก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายไม่อยู่อย่างไม่มีเวน้นไม่มีไัยไม่มีศัตรูเลยแล้วก็ไม่มีกรรมชั่วมาตัดรอนชีวิต ให้ตายแต่ยังหนุ่มยังน้อยหรื อ, อยังวัยกลางคนจะมีอายุมั่นคงยืนไปจนตลอดอายุไผ่ในยุคในสมัยที่ตนเกิดนั่นนั้นบางยุค บ, บางสมัยคนก็มีอายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมื่นปีหลายหมื่นปีถึงแสนปีก็มีก็อานิสงที่เว้นจากการเบียดเบียนเองอานิสงที่ได้ให้ข้าวน้ำเป็นทาน นี่เองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อมันรวมกำลังมั่งมากมากันเข้าไปแล้วบุญกุศลอานี้มันก็นำให้ไปเกิดในยุคในสมัยที่คนมีอายุยืนมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะการที่เราพยายามละกมชั่วทำความดีละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาวางไปด้วยข้อวัดปฏิบัติทัางกล่าวมานั่นนะก็จึงชื่อว่า ไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกลวงกันเป็นเรื่องที่ทำชีวิตของผู้กระทานั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจริงๆมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่คนส่วนมากนั้นมองไม่ค่อยเห็นอันนี้แหละสำคัญมากเลยแม้ว่าจะพยายามที่แจงแสดงเหตุผลอะไรอะไรให้ฟังเท่าไร มันก็ไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นตามเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดเห็นตามที่แนะนําสั่งสอนนี้แล้วผู้นั้นจะพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วจริงๆเลยเพ้าะกรรมชั่วนี่แหละน่วงเหนี่ยวคนแนละ้วไม่ให้ไปสวรรค์ไปผลิภานได้ไม่ใช่อย่างอื่นใดนะอย่างนี้หลยถ้าผู้ใดเว้นจากกรรมอันชั่วนั้นได้โดยประการทั้งตวงแล้ว เมต่อจาทำกรรมอันดีใส่ตัวเข้าไปเรื่อยๆไปเนี่บุญกุศลอันนี้ก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆก็ชีวิตก็ย่อมใกล้ต่อพานิพานไปเรื่อยๆในระหว่างที่ยังไม่ถึงพานิพานก็ไปเกิดสวรรค์ไปเสวยผลแห่งบุญที่ตนทาในโลกนี้ไปชั่วระยะหนึ่งหมดบุญในสวรรค์ก็กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วมาสร้างบุญบรารมีอีก นี่พูดถึงคนบุญนะจะไม่ได้บ่ายหน้าไปสู่นรกอวัยวภูมิเลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ทําให้ผู้นั้นมีบุญกุศลเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนีย่ว่าบุญกุศล น, นี่ไม่ร่อยหล่อแล้ววันนี้แต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดบุญก็ทําบาปก็ทําอย่างนี้ยมันก็ทําให้ชักช้าวันนี้นะ คราวใดที่ไปสวยผลของบาปอยู่นั้นไม่ได้ทำบุญอะไรเลยได้เสวยแต่ทุกทรมานอยู่อย่างนั้นเย่ยยกตัวอย่างให้ฟังคนในปัจจุบันนี้นะคนที่มีอวัยวะร่างกายไม่บกพร่องออที่มีอวัยวะร่างกายบกพร่องนั้นนะแขนด้วนขาด้วนหูหนวกตาบอดมาเจกาเนิดง่อยเปียเสียขาอะไรโมนี่นะ อมีแต่เที้ยนขอทานเขาเป็นอยู่แต่ละวันละวันไม่ได้ทำความดีอะไรเลยใครจะไปสอนให้มภาวนาพูทโธมันก็ภาวนาไม่ได้เพราะว่าบาปกรรมมันครอบงำทั้งกายทั้งใจหมดนึกถึงความดีไม่ได้เลยนั่นแหละก็ทำให้เสียเวลาในการสร้างบุญกุศลไปถ้าไปจกนรกแล้วยิ่งเสียเวลานานไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรก นานแสนนานนะเป็นอย่างนั้นใหคิดพิจารณาให้ดีพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งความเป็นไ ป, ไปของสัตว์โลกทั้งหลายดังกล่าวมานี่นะดังนั้นนะพระองค์เจ้าจึงพยายามเทศน์แนะนำสั่งสอนให้คนเรานั้นเว้นจากกรรมอันชั่วเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันดังพุทธอุทานตอนที่พระองค์เจ้าตารัสรู้ใหม่ๆนะ อพยาปัตสังสุขขังโลเกปานภูเตสุสัญยโมสุขฆาวิราคตาโลเกกามมานังสมติกรรมโมความไม่เบียดเบียนกันคือความสารวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความเป็นผู้ที่ไม่ผูกพันในกามทั้งหลาย มีกิเลสกรรมและวัตถุกรรมเป็นต้นเป็นผู้สิ้นแล้วจากความกำหนัดในกามทั้งหลายดังกล่าววันั้นยิ่งเป็นสุขในโลกอย่างยิ่งเลยเมื่อพระ อ, องค์จรัสรู้แล้วพระ อ, องค์ทบทวนดูชีวิตของพระ อ, องค์และสัตว์โลกทั้งหลายอย่างว่านั้นก็คงเห็นแจ้งเลยว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นพุททนทรมานอยู่ในโลกนี้เพราะเปลี่ยนเปยนกันแท้ ดังนั้นโฮ่งเจ้าจึงได้เปล่งอุทานอย่างนี้ออกมาจึงเป็นพาสิตที่ควรคิดควรพิจารณากันบรรดาชาวพุทธทั้งหลายนั่นทีนี้ถ้ากงกันข้ามท่าผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลเดินละสัตต์ื่นได้ผู้นั้นก็มีความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้ า, าสุขไปเรื่อยๆจนตลอดถึงได้เข้าสู่ภนิพาน ก็ได้สวยสุขอันสุดยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่ต้องมาเสแวงหาความสุขอีกต่อไปเลยไอความเป็นผู้พยายามจเจริญสมถะอิปัตนาเพื่ออะไรนะ่ะก็เพื่อให้สิ้นไปแห่งราคะปัญหาความกำหนัดยินดีในรูปในนามอันนี้เองนะเออกำหนัดยินดีในรูปในนามอันนี้แหละอย่าไป ว่ากําำนัดยินดียังอื่นกำนัดยินดีในรูปนามที่ตนอาศัยอยู่นี่นะก่อนนะเมื่อมันกำนัดยินดีในรูปในนามที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็ไปกำนัดยินดีในรูปในนามของคนอื่นอีกของผู้อื่นซึ่งมีเพศตรงกันข้ามนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันสายเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ทนทรมานไปในสงสารอันนี้นะ พิจารณาให้มันเห็นสางเหตุที่คนเราจะได้ทําบาปทํากรรมอะไรต่ออะไรนี่มันก็เพราะความกําหนัดยินดีนี่นะ่ะเป็นมูลเหตุแท้ๆพิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนมันถึงรู้ได้เรื่องหมดนี้นะดังนั้นนะพุทธวิษัชน์ทั้งหลายไม่ควรที่จะละเลยเรื่องความกําหนัดยินดีนี่ต้อง พิจารณาตัดทอนให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจให้ได้ไม่ควรจะไปส่งเสริมความกำหนัดจินดีนี่ให้มีกำลังกล้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ถูกทางเลยไม่เป็นทางคนทุกได้พยายามพิจารณาดูสิ่งที่เราหวงแหนแักให้ยินดีเหล่านั้นนะให้มันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะได้เบื่อหน่ายเพราะว่าสิ่งที่จิตใจจินดีผูกพันอยู่นั้นไม่ใช่เป็นของสวยงามอะไรอ่ แท้ที่จริงแล้วเป็นของสกโศกโสมมมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามนี่มีรูปร่างสวดทองก็ไม่น่าชื่นชมยินดีอะไรเลยถ้ามองด้วยปัญญานะมองด้วยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ามองด้วยอำนาจแห่งความรักความคล้ายแล้วมองดูตรงไหนก็สวยหมดงามหมดรักน่ายินดีทั้งนั้นเลย นี่ถ้ามองด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหามันมันก็เป็นอย่างนั้นเลยถ้ามองด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาด้วยมุ่งหวงค้นหาความจริงในรูปนั้นในนามนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่น่ารักน่า ย, ยินดีเลยดังนั้นนะผู้ประพฤติทำทั้งหลายผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ก็ขึ้งพากันมีโยนิโสมนัสิการ เชจารณาพุทธภาสิทธสองประการดังกล่าวมานี้ให้เห็นว่าเราควรปฏิบัติตามโดยแท้จริงแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปแล้วก็จะได้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปรังแสดงมาขอยุดติดลงเพียงเท่านี้